ต่อไปในโสมนัสเจริยาที่สองในข้อย2่อพระองค์ในการเมื่อเราเป็นราชบุตรสุดที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่ารักของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามว่าโสมนัสอยู่ในอินทปัตถานนครอันอนุดมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีปัญญาที่เรียกว่าปฏิภาณนิเฉียบแหลม เคารพนบนอบต่อ บ, บุคคลผู้เจริญมีฮิริคือละอายแล้วก็มีความฉลาดในสังหาธรรมฉลาดในการสงเคราะห์หมู่ประชุมชนเป็นต้นครั้งนั้นมีดาบดกงผู้หนึ่งเรียกนะว่าคนเลวก็ไม่ได้ก็มีทุกยุกทุกสมัยนะคนโกงนี้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระองค์นั้นดาบดกงรูปนั้นก็ปลูก ต้นไม้ปลูกผ ล, ลไม้ปลูกไม้ดอกปลูกผักแล้วก็เก็บพวกผ ล, ลไม้ดอกไม้เก็บผักไปขายเลี้ยงชีวิตเราได้เห็นดาบทโกงนั้นที่เหมือนกองแกลบที่ไม่มีข้าวสารเป็นรูสีปลอมไม่มีสาระภายในรอกเหมือนแกลบที่ไม่มีเม็ดข้าวสารอยู่ข้างในเหมือนไม้ที่มีโพรงอยู่ข้างในไม้มีโพรงอ่ะนะก็จะเคาะแล้วดังปกปกปกอ่ะนะ แล้วก็เหมือนต้นกล้วยที่หาเก่นสามไม่ได้ดาบทโกงนี้ไม่มีธรรมะของสัจบรุษปราศจากความเป็นสมณะคือไม่มีสมณะธรรมไม่มีศีลเป็นต้นอยู่ในใจละทรมขาวคือหิริไม่ละอายใจต่อตัวเองเลยว่าเราคือนักบวชเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพราะเหตุในการเลี้ยงชีวิตก็เลยทาไงบ้างปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกทำเรียกว่าทาสวนเองเลยอย่างนั้นนะ เป็นเจ้าของสวนผักสวนครัวสวนผลไม้เองเก็บไปขายจนมีสตั ง, งนั่งนันมีอยู่ครั้งหนึ่งปัจจันตชนบทกำเริบขึ้นเพราะโจรอันเที่ยวอยู่ในดงพระราชบิดาของเราเนี่เมื่อจะไปปราบความกำเริบกำเริบที่เกิดจากโจร น, นั้นก็รับสั่งเราว่าลูกอย่าประมาทในดินผู้มีความเพียรอันแรงกล้านะ พอ่อเออขอไปลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาะด้วยว่าชดินฤาษีคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้ความสําเร็จความปรารถนาทั้งปวงเพราะฉะนั้นเอาตามใจท่านทุกอย่างเลยนะลูกนะท่านจะอะไรก็ตามใจท่านให้หมดเลยเราคือพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่ที่บํารุงของชดินนั้นตอนนั้นอายุเจ็ดขวบเองนะเราก็ไปสู่ที่บํารุงของชดินนั้นก็กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนขึ้นหาบดีท่านสบายดีดอกหรือ ไปไม่ได้ไปเรียกว่าเป็นพระโสอ่าเป็นอะไรนะเป็นฤๅษีเป็นนักบวชอะไรไปบอกกับท่านเศรษฐีท่านสบายดีอยู่หรือหรือว่าท่านจะให้นำอะไรมานะก็ไปพูดคำนี้แล้ด่าบทโกงก็อาศัยมานะคือปกติก็มีแต่คนยกย่องนับถือใช่ไหมเพราะเป็นกุลุ ป, ปกะเป็นที่เคารพของพระราชามาวันนี้ลูกชายพระราชาเจขวบแค่นั้นแหละมาบอกว่าเครือาบดีท่านเศรษฐีสบายดีหรือ จะให้ อ, อะไรมาโอ้ยคานี้มันเสียดแทงใจมากมาณนกะําเริบความโกรธก็เลยโกรธบอกว่าเราจะให้พระราชาฆ่าท่านเสียในวันนี้แหละหรือจะให้ขับไล่ท่านออกจากเวน้นแคว้นตอนหลังพระราชาก็ปราบปัจจันต์ตัดชนบทปราบโจนได้เบ็ดเสร็จทําให้สงบแล้วก็กลับมากลับมาก็เข้าไปถึงที่รือที่ชะดินโกงเนี่ยนะนักบวชโกงคนนั้นว่า พระคุณเจ้าสบายดีหรือสักการะสัมมาณะหมายความว่าสักการะการเอามายกการนับถือการบูชาอย่างพิเศษยังเป็นไปแก่พระผู้เป็นเจ้าหรือชิดินโกงนั้นก็กราบทูลแก่พระราชาเหมือนว่าพระราชกุมาร น, นี้ให้ชีพหายผู้ซะจนพระราชาเชื่อว่าพระราชกุมารองค์น้อยเนี่ยนะมาทําลายซะเรียบหมดเลยพระเจ้าแผ่นดินฟังคําของชิดินโกงนั้นก็บังคับว่าจงตัดศีรษะเสียในที่นี้นั่นแหละ สั่งคนให้ไปตัดลูกตัดหัวลูกชายเลยนะกระว่าฟังคําบอกแค่นั้นนะ่ะสั่งตัดหัวลูกชายเลยแล้วก็บอกว่าจงสับฟันจงฟันบันมันออกเป็นสีท่อนแล้วก็ทิ้งไว้ในทางกลางถนนกระว่าฟันเป็นสีท่อนแล้วก็โยนไว้ในถนนให้คนเห็นว่านี้เป็นผลของการเบียดเบียน ด, ด, ด, ดินให้มารู้จักว่าเบียดเบียนนักบวชมันเป็นยังไงว่า ง, างั้น พวกโจรก็ใจโจรที่มีใจดุร้ายเป็นมีใจไม่มีกรุณาเหล่านั้นถูกพระราชารับสั่งบังคับอย่างนั้นตอนนั้นเรานั่งอยู่บนตักของพระมารดาก็าตอนนั้นท่านอายุ7ข็ดขวบนะท่านก็นั่งอยู่บนตักพวกเพชฌฆาตเหล่านั้นก็มาฉุดคร่า น, นําเอาเราไปเราได้กล่าวคําเหล่านั้นนะได้กล่าวแก่เขาเหล่านั้นซึ่งกําลังผูกมัดอย่างมั่นคงอย่างนี้ว่า ขอร้องนะขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยเร็วราชรกิจของเรายัางมีอยู่อท่านก็ฉลาดน่อายุเจ็ดขวบในฉลาดบอกว่าตอนนี้ยังมีกิจที่ยังต้องทํากับพระราชาอยู่เขาเหล่านั้นเป็นคนลามมกคือเป็นคนบาปเพราะอะไรเพราะและก็ยังเสพคนลามมกปกติก็เป็นคนบาปอยู่แล้วก็ไปยังไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนบาปมันก็มีแต่บาปยิ่งขึ้นคนบาปเหล่านั้นก็พาเราเข้าไปเฝ้าพระราชา เรานั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็ทูลให้พระองค์เข้าพระทัยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟังและนำมาสู่อำนาจของเรานะหมายว่าตอนแรกนี่พระราชาเชื่อนักบวชโกงหมดเลยตอนหลังลูกก็อธิบายให้ฟังจนเข้าใจทั้งหมดก็กลับมาเชื่อลูกพระบิดาขอเข้ามาเราในที่นั้นแล้วก็พระราชท า, านราชาสมบัติอันใหญ่หลวงแก่เร า, านะนะเจ็ดควบนะยกให้ครองเมืองเลยเหมือนกัน เรานั้นทำลายความมืดมัวเมาแล้วก็ออกบวชเป็นบนรรปชิดเนี่ย น, นะจ็ดขวบบวชลวเราจะเกลียดราชสมบัติอันใหญ่หลวงก็หาไม่ได้เราจะเกลียดกรรมาพโลกสมบัติก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติเสียชะนี้แหละนก็เพราะเนื่องจากรักการตรัสรู้ปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจึงออกบวช อธิบายคุณธรรมของสท่านโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสที่เป็นราชกุมารว่าโสกุนต์นะโสมนัสนั้นมีประกอบด้วยศีเรียกว่าสีละว่าเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทสิบประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการพูดคำสัตว์คำจริงพูดเพื่อให้คนสมักสมาสามัคคีปรองดองไม่พูดคำหยาบพูดคำพูดแต่ในที่มีประโยชน์มีสาระ มีใจไม่เพ่งเลง็งไม่โลภอะมีใจไม่โกรธเป็นผู้ที่มีปัญญามีมสัมมาทิฏฐิขณะเดียวกันก็ยังมีอาจาระประพฤติมัญญาตอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังพระราชมารดาพระราชบิดาปฏิบัติตามโอวาคเคารพต่อผู้ผู้ใหญ่ในตระกูลท่านท่านยังมีคุณธรรมคือคุณะสัมปันโนเข้าถึงหรือบริบูรณ์ด้วยคุณ ขณะเดียวกันท่านยังเป็นคนที่มีศรัทธามีกรร ม, มสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุแห่งกรรมดีกรรมข่าวกรรมดีกรรมชั่วขณะเดียวกันท่านก็ยังมีศรัทธาเพื่อการตรัสรู้ท่านยังมีพหูสัจจะคือเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรเรียนมากในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กที่รักเรียนมากะนะมีความรู้เยอะบทว่ากาลยาณปฏิภานวาประกอบด้วยปฏิพานงาม กล่าวคือเป็นผู้ฉลาดในอุบายยังกิจที่ควรทํานั้นๆให้สําเร็จหมายคือว่าพอเกิดเรื่องเหตุการณ์ใดขึ้นท่านมีปฏิพานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสําเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีบางคนนี่เก่งมากเลยนะมีปฏิพาณ์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยปฏิพันธไหวพริบนี่ดีเยี่ยมนะสามารถเกิดเรื่องเกิดราวเกิดมีปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันและไม่เสียหายด้วยสําเร็จแต่ประโยชน์อย่างเดียวเรียกว่าคนมีปฏิพาน์ คนมีปฏิพันธ์กับคนแก้ตัวนี่คนละอย่างนะคนมีปฏิพานธ์ก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนส่วนคนแก้ตัวละ่ะมีเหตุผลจนต้องอะไรนะแก้ตัวได้ทุกเรื่องนะนะบทว่าวุฒาปจายีเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญคือมีปกติอ่อนน้อมต่อพระมารดาต่อพระบิดาต่อผู้เจริญในตระกูล นะเช่นลวงปะนะ่านาอาเป็นต้นหรือว่าผู้ที่ชาติตระกูลสูงหรือผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายท่านก็อ่อนน้อมต่อผู้เจริญในชาติตระกูลอ่อนน้อมต่อผู้เจริญด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นฮิริมาท่านประกอบด้วยหิริมีลักษณะรังเกียจรังเกียจขยะแขยงที่ตัวเองต้องทําบาปทางกายวาจาและใจนะละอายใจรังเกียจใจที่จะ รังเกียจที่ตัวเองต้องไปทำความชั่วรังเกียจที่ตัวเองต้องไปเปื้อนบาปเหมือนคนสะอาดรังเกียจที่จะเปื้อนคูดชนนั้นท่านรังเกียจบาปรังเกียจบาปอย่างนั้นบทว่าสังคเฮสุจะโกวิโทฉลาดในการสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายตามสังฆะวัตถุสี่ ท่านฉลาดในการให้เนี่ยนะฉลาดที่จะแบ่งปันฉลาดการให้ฉลาดในการให้วัตถุให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าให้ยวดยานพาหนะให้ดอกไม้ให้คล้องหอมให้ประเทียบให้โคมไฟให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยูกให้ยาทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ฉลาดในการให้ขณะเดียวกันท่านยังมีปิยะวาจาคือพูดแต่คําพูดอันเป็นที่รักคือคําพูดที่คนฟังฟังแล้วรักเลย นะเพราะอะไรพูดแล้วคนพูดไม่เสียประโยชน์คนฟังก็ไม่เสียประโยชน์พูดแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าปิยวาจานะพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นที่นะัเป็นที่รักแล้วก็พูดเพื่อให้เกิดความรักความเมตตาอัตเจริย า, ส, า, ททาสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์และ ความสุขแก่ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นในโลกนี้ทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นในโลกหน้าขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติอะไรก็ตามที่เป็นเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งสมานตตามีตนเขาเรียกว่าวางตนได้สม่าเสมอไม่ลักษณะไม่ถือตนไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแต่วางตัวได้ดีเขาเรียกว่าเป็นคนวางตัวเป็ น, นในการวางตัวเป็นเรียกว่าสมานตตตาประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสมประพฤติตัวได้อย่าง สม่ำเสมอไม่ใช่ตอนแรกอีกอย่างตอนหลังก็อีกอย่างวางตัวลุ่มๆดอนๆไม่ใช่เป็นคนที่วางตัวได้อย่างสม่ำเสมอ <c oughs> ตอนนั้นเรามีชื่อว่าโสมนัสเป็นโอรสของพระเจ้ากุรุนามว่าเรนุเนี่ยนะก็คือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเรนุเป็นที่โปรดปรานของพระราชาเนี่ยนะเพราะว่าพระเจ้ากุรุเข้าไปบำรุงเนืองๆน ะ, นะก็เป็นลูกลูกสุดที่รักนะพ่อคอยดูแลเอาเอกเอาใจทุกอย่าง นี้ตอนหนึ่งก็มีฤาษีโกงเรียกว่าก uh ุหะกุหะกะตาปโซดาบทผู้หนึ่งผู้สำเร็จชีวิตด้วยการหลอกลวงเป็นลักษณะยกย่องคุณของอาศบุรุษคือคือเป็นคนโกงะนะไม่ใช่ไม่ใช่นักบวชแต่ว่าทำตัวเลียนนักบวชแต่ว่าไม่ใช่นักบวชบรรดาบทคนนี้ก็เป็นเป็นเจ้าของสวนเนี่ยนะปลูกผลไม้มีฟักทองน้ำเต่าฟักเขียวแตงกวา หรือว่าปลูกล ก, กระเพราน้อยปลูกพวกกระเพราพวกเรียกว่าเครื่องเทศเ น, นะนะเครื่องเทศที่ประกอบอาหารทำทุกอย่างมาลาวัชชังมียังปลูกสวนดอกไม้อีกไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกลําดวนเป็นต้นเรียกว่าเจ้าของสวนผักผลไม้ดอกไม้เนี่นะเจ้าของสวนโอ้ฐานะดีนะเนี่ยถามว่ารือีคนนี้มาอย่างไรทําไมจึงมา มีอาชีพทำไร่ทำสวนได้อย่างนี้ทั้งสวนผักสวนผลไม้แล้วก็สวนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยนะถ้าสมัยนี้ก็เจ้าของอะไรนะเจ้าของสแลนนะนะที่เรียกว่าปลูกไม้ปลูกปลู ก, ลกอะไรนะปลูกต้นไม้ขายเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นมีฤาษีคนหนึ่งชื่อว่ามหารกิตะเป็นฤาษีฤาษีนั้นก็มีดาบบทเป็นบริวารห้ารอยู่ในป่าหิมะวันตรประเทศท่านก็เที่ยวไปยังชนบทเพื่อต้องการจะ เสพหรือสเสวยของเค็มของเปรี้ยวนะเพราะว่าผู้ที่บวชมานานๆเ น, นี่ยนะไอ้รสเปรี้ยวกับรสเค็มเนี่ยมันจําเป็นเพราะว่าบางช่วงในร่างกายมันขาดสารอาหารแล้วก็ป่วยง่ายอะไรง่ายเป็นต้นรสเปรี้ยวก็คือแทนคําว่าวิตามินซีนะนะเนี่ยเค็มก็คือแทนแร่แร่แ ร, แรนะ่สารอาหารทั้งหลายท่านก็จาริกมาจนถึงกรุงอินทปัต t h ในพระราชธิญาพร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปบินทบาทถึงประตูพระราชวัง พระราชาทอดพระเนตรเห็นหมือฤาษีพระองค์ก็เลื่อมใสในอิริยาบทนั่งบนพื้นดินใหญ่ที่ตกแต่งแล้วอังคาด้วยอาหารอันประณีตนะคือเป็นฤาษีที่มีอาจาระมีข้อประพฤติมีข้อปฏิบัติที่ดีเลิศเนี่ยนะก็เลยเลื่อมใสก็เลยถวายอาหารที่ประณีตพระองค์ก็ยังตรัสว่าขอพระคุณท่านจงอยู่ในอุทยานของข้าพเจ้าตลอดฤดูฝ น, นนี้เทศนกรนิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในฤดูที่นั้น พระองค์ก็เสด็จไปพระราชูทยานกับดาบทเหล่านั้นรับสั่งให้สร้างที่อยู่ถวายบริขารของบรรพชิตแล้วก็เสด็จออกไปตั้งแต่นั้นมาดาบททั้งปวงเหล่านั้นทั้งห้าร้อยนั้นก็ไปฉันในพระราชนิเวศฝ่ายพระราชานี่พระองค์นี้ไม่มีอรสปรารถนาจะได้โอรสเนี่ยนะเพราะคนที่มีสมบัติมากเนี่ยนะว่าไม่มีผู้สืบทอดไม่เรียกว่าไม่มีทายาทผู้รับมรดกก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ก็อยากได้โอรสโอรสก็ยังไม่เกิด ครั้งนั้นพอออกพรรษาท่านมหารกชิตรือศีนี่นะก็คิดว่าเราจะต้องกลับไปป่าหิน ม, มืวันละก็เลยลาพระราชาพระราชาก็ทาสักการะสัมมาณบูชา น, นะออกไปในระหว่างตอนกลางวันออกจากทางพร้อมทั้งบริวารคือรือศีนี่ก็เดินทางร้อนมาเรื่อยๆนะก็มาถึงตอนกลางวันก็มานั่งพักที่ร่มไม้ที่มีเงาหนาทึบนะนะเพราะว่าเราเดินทางกลางวันเนี่ยแดดร้อน พอเข้าไปนั่งพักที่โคนต้นไม้ดาบทั้งหลายก็สนทนากันว่าพระราชานี้ไม่มีพระโอรสเนี่ยนะจะดีมากเลยนะเรียกว่าจะพึงเป็นการดีก็แปลว่าดีมากถ้าหากว่าพระราชาได้พระราชบุตรท่านพระมหารัชกิจหรือศีหัวหนาได้ฟังการสนทนาก็ไข้ครวญดูว่าพระโอรสของพระราชาจักมีหรือไม่มีหนอก็ทราบว่าพระองค์จะมีก็เลยบอกว่า พวกท่านไม่ต้องคิดไปหรอกพรุ่งนี้เวลาใกล้รุ่งเทพบุตรองค์หนึ่งจักจุติลงมาเกิดในพระคันของพระอัครมเหสีของพระราชาไม่ต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้เทวดาตายองค์หนึ่งแล้วก็มาเกิดในครันเหมือ น, นกันเชดินโกงเชดินโกงเรียกว่าจอมหลอกลวงอยู่ในนั้นนั่งอยู่ด้วยองค์หนึ่งพอฟังก็คิดว่าบัดนี้เราจักเป็นราชกุลุ ป, ปกะ แปลว่าเป็นฤาษีประจําตระกูลหวังั้นเป็นที่ที่พระราชาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเป็นเป็นผู้ที่เข้าถึงราชาตระกูลที่พระราชาเลื่อมใสามากดาบ ท, ทั้งหลาย <c oughs> พอได้เวลาไปเนี่ยนะดาบทนั้นก็แกล้งทําเป็นป่วยไข้นอนสมกล่าวว่าเออพวกท่านไปกันเถอะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยนะแกล้งแกล้งจริงก็ได้ป่วยแนละ้วโรคฉับพลันหร้อเรียกว่าโรคโรคฉับพลันขึ้นมานะป่วยเรียกว่าโรคซ้าออยก็เกิดขึ้น พระมหารัชกิตาฤศีก็รู้เหตุที่ดาบทนั้นนอนท่านฟังปั๊บท่านเห็นเลยนะเพราะท่านเป็นมียนาคตังสยามท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปท่านก็บอกว่าเออถ้ากลับได้เมือ่อใดก็กลับนะแต่จะตามไปเมื่อไหร่ก็ได้นะท่านก็ไม่ไปเพราะว่าท่านจะไม่ทำให้ให้คนนั้นโกรธถ้าโกรธแล้วมันจะเสียหายกว่านี้อีกเยอะเหมือเสร็จแล้วท่านก็พาหมูฤศีไปถึงหิมมวันตแต่ประเทศดาบทโกโหกกรีบกลับไปยืนอยู่ที่ประตูพระนคร ให้คนไปทูลพระราชาว่าดาบทอุปถากของพระมหารักกิตะดาบทกลับมาอ้างตัวว่าเป็นแหมมหาอุปถากเลยนะเป็นเรียกว่าเป็นอุปถากแบบชนิดใกล้ชิดสนิทสนมกับฤษีหัวหน้าที่สุดว่างั้นพระราชาก็รับสั่งให้ราชบุตรรีบไปเรียกเข้ามาเฝ้าฤษีนี่ก็ขึ้นไปบนปราศาทตนั่งบนอาสนะที่เขาปูเอาไว้พระราชาก็ไหว้ดาบทประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ก็ตรัสถามถึงความไม่มีโรคของฤาษีทั้งหลายว่าพระคุณเจ้ากลับมาเร็วนะักท่านมีความต้องการอะไรหรือดาบทโกโหกหลอกลวงขี้โกงก็บอกว่ามหาราชมูฤาษีนี่เป็นสุขดีฤาษีเขาสนทนากันว่าเป็นการดีเนาะหากพระราชบุตรผู้ดำรงอยู่ในวงตระกูลของพระราชาพึงบังเกิดนะแมฟังคาสนทนาขึ้นอาตมาพอได้ฟังการสนทนาก็ใคร่ครวญดูด้วย ทิพจักสุว่านงนโอ้มีตาทิพเลยนะไม่ธรรมดาตรวจดูด้วยทิพจักสุว่าพระโอรสของพระราชาเี่จะมีหรือไม่เนาะก็เห็นว่าเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากจากจุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพนางสุธรรมาอัครมเหสีว่าไแล้วก็เล่าต่อไปว่าอาตามามาก็เพื่อจะทูลบอกพระองค์ว่า ชนทั้งหลายถ้าเขาไม่รู้ก็อาจจะทำให้คันี่นาศอาจจะให้อาหารที่มันแสลงโรคเดี๋ยวก็แท็งขึ้นมาเข้าอาตามาก็เลยกลับมาบอกให้รู้ก่อนอย่างนั้นฟังแล้วน่าเชื่อมา ก, ก น, นะเดี๋ยวก็เกิดทานอะไรผิดแปลกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวคนอื่นที่ไม่รักเข้าเดี๋ยวก็วางยาซะแท้งหมดเลยอย่างนั้นอาตามาก็มาเล่าให้ฟั ง, งแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วอย่างนั้น ราชาบอกพระคุณเจ้าอย่าไปเลยเนี่ยดีใจมากโอ้ยได้อะไรนะได้บำรงฤาษีที่มีฤทธิ์ขนาดนี้ก็เลยเลื่อมใสว่าพาดาบทโกงนั่นแหละไปในพระรา ช, ชุทยานจัดแจงที่อยู่พระราชทานเนี่ยนะถาวายทำที่พักให้อย่างดีตั้งแต่นั้นมาดาบทโกงนั้นก็บริโภคในราชาตระกูลอาศัยอยู่ดาบทโกงมีชื่อว่าทิพจักขุกะก็เรียกว่ารฤาษีผู้มีตาทิพย์ห ร, รือฤาษีตาทิพย์เหมือนกันนะ หรือสีผู้มีตาทิพย์ทุกคนนับถือหมดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพิภพดาววดึงิถือปฏิสนธิในกรุงอินทปัตหานั้นในเวลาขนานนามของพระกุมารที่ประสูติพระชนกชนนีก็ตั้งชื่อว่าโสมนัสโสมนัสกุมาร น, นั้นก็เจริญวัยด้วยการเลี้ยงดนะูดาบบทโกงก็พักอยู่ที่นั่นนานเขาก็ปลูกผักแล้วะนะปลูกผักสําหรับแกงก็ปลูกเถาเป็นต้นเอาไปขายในท้องตลาดรวบรวมซับเอาไว้ ขายดิบขายดีเนี่ยนะก็ของหรือสีนี่ก็ขายดีแล้วราคาจะสูงกว่าปกติหน่อยไปยรวบรวมทรั์ไว้กองพนงิมตังทึกไปหมดอาจจะเป็นร้อยล้านสมัยนี้ก็ได้นะสองรอยล้านอะไรอย่างเงี้ยขณะที่พระโพธิสัตว์นี่มีพระชนมายุได้เจ็ดพันษศาชายแดนของพระราชาก็กำเริบทักกุมารก็สั่งว่าลูกอย่าประมาทในที่ประจักษ์ขูดาบทเสร็จแล้วก็ไปปราบชายแดนให้สงบ อยู่มาวันหนึ่งพระโกมา น, นี้ก็เสด็จไปพระราชูตรยานด้วยคิดว่าเราจะเยี่ยมฉดินไปเห็นฉดินโกงนุ่งผ้ากาสาวะมีกลิ่นนะกลิ่นเนีเหงื่อทุ่มไปหมดนะพื้นหนึ่งหอมพื้นหนึ่งถือ ห, ห, ห, หม้อสองใบด้วยมือสองข้างเรียกว่ากําลังรดน้ําในที่ปลูกผักนะนะบางท่านนี่เป็นอย่างงี้จริงๆนะมีความสุขกับการรดผักปลูกต้นไม้เนี่ยนะไปบางวัดเนี่แหมขยันปลูกจริงๆเลยนี่ก็เหมือนกันปลูกปลูกอยู่นั่นแหละก็ ธากุมานี่ก็รู้แล้วโอยหรือสีนี่โกงไม่ประกอบด้วยส ม, มณธรรมของตนมัวแต่รดน้ำผักมัวแต่ปลูนปลูกผักสวนครัวอยู่นั่นแหละปลูกผักปลูกดอกไม้แล้วก็เอาของไปขายในตลาดก็รู้หมดอันั้นเห็นก็มองเหตุการณ์ทะลุก ป, ปรงหมดก็บอกว่าครึหบบาบดีฝากบัวทำอะไรว่างั้น ทำเอาดาบกดโกงนี่แหละอายอายมากะนะเขาเรียกว่าไปพูดซะอายหมดเลยนะไปพูดซะฉีกหน้าขายหน้าขายตาไปหมดเพราะว่ากูมานพระราชาโกมานไม่ได้ไปองนเดียวใชนะ่ไหมไปพูดซะฉีกหน้าฉีกตาเข้าหมดคนมีมานะมากเนี่ยไปพูดเสียหายไม่ได้พูดนิดพูดหน่อยก็โกรธแล้วก็ถือตัวมานานเพราะเป็นที่คารบยกย่องของพระราชามาตั้ง7ปีกว่าเนี่ยนะเปีกว่าเนี่ยมันมานะก็กำเริบใหญ่มากจริง ก, ก็เก็บเงินได้เยอะแล้วนะเขาขายผักได้มาเยอะแล้ว เชลินโกงนั้นก็คิดว่ากุมานนี้เดี๋ยวนี้นะอายุเจ็ดขวบขนาดนี้อย่างอย่างนี้เลยภายหลังใครจะรู้โตขึ้นไปแล้วเนี่ยนะกุมา น, นี้แย่แน่นะถ้ากุมา น, นี้โตขึ้นนะแย่ทําอะไรไม่ได้เราควรจะจัดการกุมา น, นี้ให้พินาศเสียตอนนี้แหละในเวลาที่พระราชาเสด็จมาก็เวียงแผ่นหินไปเสียข้างหนึ่ง เรียกว่าพอรู้ว่าวันนี้พระราชาเสด็จกลับมาจะถึงแล้วก็เลยไปเที่ยวตีหม้อน้ําเอาก้อนนี้เนี่ยไปทุบหม้อน้ําเกลี่ยหญ้าที่บรรณศาราเอาน้ำมันทาร่างกายเข้าไปนอนคลุมศีรษะตลอดหัวจดเท้าเนี่ยนะหมือนคนเป็นไข้หนัก น, นอนป่วยซมเลยนะเรียกว่าป่วยมากเลยนะเพราะว่าทุบทําลายเข้าวของเครื่องใช้ไปเยอะแยะไปหมดแล้วมานอนทําเป็นนอนแถลนอนป่วยคลุมอยู่นั่นแหละพระราชามาถึงก็ทำปรทักษิณพรนคร ยังไม่เสด็จเข้าพระราชวังทอดประเนษเห็นความผิดปกติของฤาษีก็คิดว่า น, นี่อะไรกันเข้าไปภายในเห็นฤาษีโกงนอนอยู่ก็ไปลูบที่เท้าก็ถามว่าใครนะมาเบียดเบียนพระคุณท่านอย่างนี้เนี่ยนะเราจะฆ่ามันวันนี้แหละขอให้พระคุณท่านรีบบอกมาเถอะใครมาประทุส ร, ร้ายตันฤาษีโกงพอฟังอย่างนั้นก็หาลุกถอนหายใจลุกขึ้นโอ้ยหายใจรตะวันดักใจหนัก อ, อกหนักใจมาก น, นะ อย่างก็ว่ามีภูเขาอยู่ในใจงนั้นนะ่ะนะหายใจฟุดฟัดขึ้นมาเลยบอกมหาราชข้าพรองค์มาเฝ้าพระองค์เพราะการมาเฝ้านั่นแหละข้าพระองค์จึงต้องได้รับความเดือดร้อนนี้แม่เพราะกลับมาบอกพระองค์แท้ๆเลยนะก็เรียกว่าเท้าวความหลังให้ฟังนี่ถ้าไม่กลับมาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้หรอกเพราะกลับมานี่แหละ เพราะความคุ้นเคยในพระองค์แท้ๆเลยเนี่ยนะสนิทกับพระองค์นี่แหละโอรสของพระองค์นั่นแหละก็เลยเบียดเบียนข่าพระองค์นะก็เพราะคุ้นเคยกับพระองค์เนี่ยนะจึงเดือดร้อนมาถึงทุกวันเนี่ยพระราชาฟังอย่างนั้นก็บัญชาให้เพชฌฆาตไปตัดศรีรษะพระกูมารแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไปทิ้งไว้ที่กลางถนนเพื่อประจานคนให้คนเขารู้ว่า เนี่ยใครที่ว่าตามที่ทําผิดกับฤาษีจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเชือดกลาให้ลิงดูนะมีขนาดลูกของเราเรายังไม่ละเว้นเลยจะกล่าวไปยัยถึงคนอื่นว่างั้นโ ก, กรธมากตอนนั้นนะพวกเพชฌฆาตก็ไปฉุดพระกุมารที่นั่งบนตักของพระมารดาที่ เ, เรียกว่านั่งตบ เ, เรียกว่าตบแต่งเสร็จแล้วนั่งบนตักของแม่นะก็ทูลว่าพระราชามีบัญชาให้ฆ่าพระกุมารพระกุมารก็กลัวตายลุกจากตักพระมารดาก็บอกว่าพวกท่านจงนําเราเข้าไปเฝ้าพระราชา เรามีราชกิจที่จะต้องกราบทูลเพราะฉะนั้นอคคำนี้เนี่ยถือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสมัยนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าจะต้องรายงานพระราชาเพราะว่าเขามีเรื่องที่จะต้องรายงานถ้าไม่ให้รายงานเดี๋ยวพระราชาเกลียวกลี้วขึ้นมาแล้วจะตัดหัวหมดพวกเพชฌฆาดก็ฝังพระ ด, ดํารัตของพระกุมารแล้วก็ไม่อาจจะฆ่ า, าดได้ก็เลยเอาเชือกเนี่ยมัดดุดมัดคอเข้าไปเฝ้าพระราชา <c oughs> ดังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบุตรฟังว่าเราได้เห็นดาบบทโกงนั้น เหมือนกองแกลบที่ไม่มีเข้าสารนะเห็นแต่แกลบไปนะเหมือนไม้โพรงข้างในเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นดาบทโกงนั้นไม่มีธรรมะของสัตว์บุรุษปราศจากความเป็นสมณะละทำเขาคือฮีริเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตชนบทกำเริบขึ้นเพราะโจรอันเที่ยวอยู่ในดงพ่อของเราเมื่อเสด็จไปปราบความกำเริบนั้นรับสั่งว่า ลูกอย่าประมาทในชดินผู้มีความเพียรอันแรงกล้านะผู้มีตะบะนะลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาของชดินเพราะว่าชดินนั้นเป็นผู้ให้ความสำเร็จสมความปรารถนาทั้งพวงอุปถัมภ์ท่านให้ดีนะท่านเราอยากได้อะไรเราก็สมความปรารถนาหมดอธิบายว่า เรานี่เห็นดาบทผู้ปราศจากสาระมีศีลสาระเป็นต้นไม่มีแก่นคือศีลไม่มีแก่นคือสมถวิปัสนาภายในเลยเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นธรรมะมียานเป็นต้นของสัตว์บุรุษคือของคนดีทั้งหลายก็ไม่มีแกดาบทคนนี้เพราะดาบทคนนี้ปราศจากเสื่อมจากความเป็นสมณะแม้เพียงศีลไม่มีคุณเครื่องคือศีล ที่ให้บอกได้เลยว่านี่คือสมณะไม่มีความไม่มีคุณสมบัติของสมณะอยู่เลยเพราะอะไรเพราะดาบทนี้ปราศจากธรรมขาคือหิริไม่ละอายใจเลยว่าตัวเองนี่เป็นนักบวชเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพาะปลูกเลือกอะไรนะเหมือนกับว่าทำทำสวนใช่ไทำสวนผักสวนผลไม้แล้วก็สวน ดอกไม้ไปคักนะไปขายเลี้ยงชีวิตสมัยนี้ก็ทําทุกอย่างขายคลองขายกลองขายไก่ขายหมูขา ย, ขายสรารพัดเนี่ยนะสมัยนี้ทําทุกอย่างเหมือนกันนะไม่ได้ต่างอะไรจากสมัยก่อนหรอกนะค้าขายค้ า, าโน่นค้านี่ไปเรืยนะก็แสดงว่าเราคิดว่าดาวบสนี้เที่ยวไปด้วยเพศของดาบสเพราะเหตุแห่งชีวิตอย่างเดียวก็คือบวชเพื่อจะเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแหละ บทว่าปรันติโนเพราะมีชายแดนกำเริบก็คือพระราชานี่ก็สั่งเสียลูกอย่างดีเอาไว้ว่าลูกอย่าประมาทเฉดินผู้เป็นเจ้านายของพ่อนะท่านมีความเพียรสูงมีตะบะแก่กล้ามีอินทรีย์สงบเฉดินนั้นะสามารถให้ความสําเร็จได้ทุกอย่างที่ปรารถนาแก่พวกเราเพราะฉะนั้นลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาตามความชอบใจของเฉดินนั้น แล้วพระ อ, องค์ก็ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี้ไปสู่ที่บำรุงของเชดินนั้นแล้วก็กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนเครือหาบดีท่านสบายดีดอกหรือหรือว่าท่านจะให้เราเนี่ยนำอะไรมาให้ท่านเพราะฉะนั้นดาบดนั้นก็อาศัยมานะก็โกรธว่าเราจะให้พระราชาฆ่าท่านเสียในวันนี้หรือจะให้ขับไล่เสียจากวแว่นแคว้นฝ่ายพระราชานี่ก็ไปปราบปราณปัจจันตชนบทสงบแล้วก็มาถึงก็ถามเชดินโกงว่า พระคุณท่านสบายดีหรือสาการะสั ม, มณะยังเป็นไปแก่พระคุณเจ้าหรือชดินโกงนั้นก็กราบทูลแด่พระราชาเหมือนว่าพระกุมารทําให้ชีพหายเรียกว่าโกงนะวางแผนหลอกให้พระราชานี่เห็นกิ้วเลยแบบนั้นพระราชาฟังคําของชดินโกงนั้นก็มีบัญชา ว, ว่าจงตัดศรีรษะในที่นี้นั่นแหละแล้วก็สับฟันให้ออกเป็นสี่ท่อนทิ้งไว้ในท่ามกลางถนนให้คนเห็นว่านั่นเป็นผลของการเบียดเบียนชดินใครที่เบียดเบียนชดินเป็นอย่างนี้แหละ พวกเพชฌฆาตที่มีใจดุร้ายไม่มีความสงสารกรุณาอินดูเหล่านั้นเพราะมีพระราชบัญชาขณะที่เรานั่งอยู่บนตักของพระมารดาก็ฉุดคร่าเราเอาไปก็บอกว่าเพชฌฆาตนี่ฉุดคราประดุดโคลงกัน ก็เมื่อพระกุมารนั้นถูกเพชฆาตนําไปพราสุธรรมาเทวีเวดล้อมไปด้วยหมู่ทาสีพร้อมด้วยพวกสนมแม้ชาวพระนครก็พากันไปกับพระกุมารนั้นคิดว่าเราจักไม่ให้ฆ่าพระกุมารนั้นผู้ไม่มีความผิดดังที่พระองค์เล่าให้ภาษารีบทฟังว่าเรานั้นได้กล่าวแก่เขาเหล่านั้นซึ่งกําลังผูกมัดอย่างแน่นอย่างมั่นคงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยเร็ว เรามราีราชกิจของเรามีอยู่เขาเหล่านั้นเป็นคนบาปและก็คบกับคนบาปพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเราก็เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลเล่าเนื้อความให้เข้าพระไทยให้มาสู่อำนาจของเราก็บอกว่าที่บอกว่าทิสวานะตังสัญญาเปสิงค์คือเราเข้าไปเฝ้าพระราชากุรุพระชนก ข, ของเราแล้วก็ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระบิดา จึงสั่งให้ข่าลูกเสียเล่าพระเจ้าข่าพระาาพราชาก็บอกว่าก็เพราะเหตุไรเจ้าจึงเรียกที่พจักขุดาบทผู้เป็นเจ้านายของพ่อว่าเครือาบดีละ่ะเจ้าทำผิดมากรู้ไหมเหมือนั้นพระกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาเมื่อข้าพระองค์กล่าวกับผู้ที่เป็นเครือาบดีว่าเป็นเครือาบดีดังนี้จะมีความผิดได้ยังไงก็พูดถูกพูดตามความเป็นจริงอ่ะมันผิดตรงไหน ก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าขอพระบิดาทรงเชื่อว่าดาบทนั้นปลูกไม้ดอกปลูกเขาเรียกว่าปลูกไม้ดอกปลูกผลไม้นานานชนิดแล้วก็ขายดอกไม้ขายผักขายพลาผลผลเล็กผลน้อยอะนะเพราะเป็นเจ้าของสวนพวกขายพวงมาลัยแล้วก็ซื้อเอแล้วก็ผักเนี่ยนะขายพวงมาลัยขายผักซื้อของเหล่านั้นจากคือชาวบ้านเขาก็ซื้อของเหล่านี้จากดาบ ท, ทุกวัน เพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยโปรดพิจารณาพื้นที่ที่ปลูกไม้ดอกพื้นที่ที่ปลูกผักเถอะพระเจ้าค้าให้พระองค์ไปเที่ยวตรวจ ด, ดูนะว่า น, น, น, น, นั่นสวนผักนั่นสวนครัวนั่นสวนอย่างนั้นสวนนี้ไปตรวจ ด, ดูได้เลยแล้วเราก็เข้าไปยังบรรณศ า, าลาให้พวกราชบุตรของตนนำกรหาปณ ะ, ะและพันฑะที่ดาบทได้จากการขายดอกไม้วันแก้วแหวนเงินทองที่เกิดจากการค้าขายเอามาโชว์กันหมดเลยขนเอามาให้ดูให้พระราชารู้เห็น เราให้พระราชาทราบถึงความที่ดาบทนั้นเป็นดาบทโกงสมัยนั้นเขาเรียกว่าครือศีเป็นเจ้าของสวนผลมไม้ราบไม้เจ้าของสวนดอกไม้เป็นต้นค้าขายอยู่อย่างนี้มีเงินเก็บของอยู่อย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นครหาบดีโล้นเหมือนันนะบทว่ามะมันจ ะ, ะวะสมานยิงเรา เ, เรานำมาสู่อํานาจของเราความว่า ด้วยการให้ทรงเข้าพระทัยนั้นพระราชาทราบดีว่ากุมารพูดจริงดาบทนี้เป็นดาบบทโกงเมื่อก่อนทำเป็นคนมักน้อยนะทำเป็นนะก็แกล้งนั่นแหละแกล้งเป็นคนมักน้อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมากๆเพราะฉะนั้นเราจึงไปสู่เราจึงนำพระราชามาสู่อำนาจของเราโดยที่พระองค์นี้เบื่อหน่ายในดาบทแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของเราก็กลับไปเชื่อลูกนะนะก็กลับไปเชื่อลูก ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเรานี่ควรจะเข้าป่าบวช ด, ดีกว่าอยู่ในสำนักของพระราชาผู้โง่เขาเห็นป่านี้อันนั้นมีพ่อโง่ๆอย่างนี้บวช ด, ดีกว่าไม่อยู่แล้วว่างั้นนะแล้วก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่ต้องการอยู่ในที่นี้ขอพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตข้าพระองค์จักบวชพระราชากระบอกลูกรักพ่อไม่ได้ไข้ควรก่อนบังคับให้ข้าลูกขอให้ลูกยกโทษให้พ่อเธอ แล้วก็ให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้พระโพธิสัตย์ก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดพระกุมารก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาในพวกคสมบัติเป็นของมนุษย์จะมีอะไรลูกเคยส ว, ยวรโภกคสมบัติอันเป็นของทิพมาตลอดกาลนานลูกยังไม่ติดในสมบัตินั้นเลยลูกจักบวชละแสดงว่าท่านระลึกชาติได้นะอายุเจ็ดขวบระลึกชาติได้ว่าเพิ่งจุติมาจาก เทวดาได้เจปีที่จุติมาจากเทวดาก็คือทรรมอธิมุตตะกิริยาก็คือเรียกว่าแกล้งตายนะเรียกว่ากลั้นใจตายหรือเทวดาฆ่าตัวตายเพื่อจะมาเกิดในคัขนาดสมบัติอันเป็นของทิพขนาดนั้นยังไม่ติดเลยจะมาติดอะไรในสมบัติของมนุษย์ล่ะลูกไม่ขออยู่ในสำนักของผู้ที่มีปัญญาโดยถูกผู้อื่นนำไปเป็นคนโง่เช่นนั้นแล้วไม่เอาแล้วพ่อโ ง, ง่แล้วเกินนั้นนะ นี่ขนาดลูกแท้ๆเขาสอเสียดนิดเดียวยุยงนิดเดียวจะฆ่าลูกทิ้งแล้ววะงั้นเมื่อจะสั่งสอนพระราชาก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังว่ากรรมที่บุคคลไม่ใคร่ครวญแล้วทําลงไปไม่กําหนดความคิดหมายคือว่ามไม่เอามาคิดมาใคร่ครวญให้ดีเหมือนความวิบัติของยาย่อมเป็นผลชั่วว่าใคร่ครวญก็เหมือนว่ากินยาไม่อ่านฉลากนั่นแหละะกินยาไม่อ่านฉลากไม่อ่านให้ดีเนี่อะไรจะเกิดขึ้น น, นะถามคุณหมอดูกันแล้วกัน ไปกินยากรัมมอกโซนกลินโพลิโดนกินอะไรเข้าอะไรจะเกิดขึ้นกินสปาเก้าไปเนี่ยนะสปาข้างในท้องเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเดือดร้อนแน่อันหนึ่งกรรมที่บุคคลใคร่ควรแล้วทำย่อมกาหนดความคิดโดยชอบหรือมาใคร่ครวรเสียก่อนแล้วค่อยทำเหมือนสมบัติของยาย่อมเป็นผลเจริญหมเพราะว่ากินยาถูกต้องกินยาถูกหลักก็หายจากโรคฉันใดาการกระทาก็เหมือนกัน ทำอะไรโดยที่ไม่ใค ร, คร่ครวญไม่พิจารณาให้ดีให้เรียบร้อยก็เหมือนกับความวิบัติที่เกิดกับยาไหมเพราะว่ากินยาไม่ถูกกินยาผิดแล้วสร้างแต่ความเสียหายให้ก็เรีกนวะกินยาไม่อ่านฉลากเนลยนะจะไปกินยาของชาวสวนนี่เดือดร้อนแน่มีแตย่ยาฆ่ายากัยาฆ่าแมลงลนะที <c oughs> นี้ถ้าเอายาทาภายนอกมารับประทานภายในเนี่อะไรจะเกิดขึ้นนะหมอนะมียอมคนหนึ่งก็ไปกินยาแกรมแกรมมอกโซน กินเสร็จเ้าก็จะฆ่าตัวตายนะก็เอายาแก้แพ้นี่ห้าิเม็ดมันว่ากินกรัมมอกโซนเสร็จแล้วก็กินยาแก้แพ้ตาม50ิเม็ดจะให้มันหลับให้สบายไปเลยร็จแล้วก็พอดื่มน้ำเข้าไปดื่มยาออนห้าสิเม็ดมาอาเจียนออกมาก็ปางตายก็นอนสมอยู่เจวันเออสสาวันนะนะก็ไปเห็นก็แนะนำส่งโรงพยาบาล ก็ว่าทางเดินหลอดอาหารเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแผลสดเนีนะเหมือนแผลเป็นต้องหยอดอาหารทางฉมุกรักษาไม่ได้เจอกัะนาวไม่รู้ตาหรื อ, อยังเรหลายปีแล้วแต่ก็รักษารักษาได้นะไม่ไม่ไ ม, ไม่แต่ก็เกือบตายอ่ะนะแต่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารมาถึงทุกวันเนี่ยกระแสวิบัติที่เกิดจากยาเขาว่ากันวิบัติที่เกิดจากยาบางคนเนี่ยกินยาผิดเนี่ยป่วยจนตายเนี่ยนะก็ป่วยเกือบตายบางคนเนี่ยป่วยไม่หายก็เพราะกินยาผิดนี่แหละ แล้วก็แนะนําบอต่อไปว่าเครือหัดเกียดคร้านบริโภคกามไม่ดีเลยเป็นคาราวะผู้สแสวงหาแก้วแวน่นเงินทองเนี่ยนะสแสวงหาการทำมาหากินแักขี้เกียจไม่ดีมันประชิดถ้าไม่สํารวมกายวาจาใจาก็ไม่ดีพระราชาถ้าไม่ใคร่ครวญแล้วทําลงไปก็ไม่ดีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีอํานาจนะทําให้พิจารณาให้ดีให้รอบคอบเนี่ยนะทำอะไรไปเนี่ยไม่พิจารณาไม่ดีหรอก ผู้ที่เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันบอกยเก่งเหลือเกินแต่ถ้ามักโกรธไม่ดีเพราะคนที่เป็นบัณฑิตที่ถือตัวว่าเป็นคนฉลาดถ้าโกรธขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะคนพวกนี้มันโกรธอะไรมันวางแผนซับซ้อนในการทําลายผู้อื่นเชน่นที่เรียกว่าบลายวอดไปหมดอะนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนิสัยขี้โกรธไม่ดีหรอกข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในทิกศกษัตริย์นี่นะเพ่งใไข้ครวญก่อนแล้วค่อยทําเจ็ดครวญนะสอนพ่อ อนุกัิย์นี่นะใครควรวนก่อนแล้วค่อยทําไม่ใคร่ควนก่อนแล้วไม่ทําเพราะอะไรที่ยังไม่แน้มาใคร่ครวรมาพิจารณาให้ครบถ้วนครบถ้วนเนี่ยไม่ไม่ทำยศและเกียรติย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ใครควรใครควรเสียก่อนแล้วค่อยทําข้าแต่พระภูมิบาแลแปลว่าพระข้าแต่พระองค์ผู้รักษาแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ ควรใครควรเสียก่อนแล้วค่อยปรับสินไหมเพราะว่าสมัยนั้นพระราชาเป็นเหมือนสารด้วยในตัวย่อมอิ่มใจในสิ่งที่ทําแล้วโดยพลันหมายความว่าถ้าหากว่าใครควรวญเรียบร้อยแล้วนะทําอะไรเสร็จแล้วสบายใจอย่างเดียวไม่ต้องมาเดือดร้อนใจแล้วเพราะอะไรเพราะวินิจฉัย ใ, ใครควรวญมาเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายของตนที่ด้วยการตั้งใจชอบย่อมไม่ตามเดือดร้อนในภายหลัง คือคนที่มีการใค ร, คร่ครวญพิจารณาตั้งใจใน ท, ที่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเป็นต้นรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการตั้งใจที่ดีทำด้วยสติปัญญาทำด้วยความรู้การใคร่ควรวญเป็นอย่างดีถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องเสียใจในวันหลังไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนึกเมื่อไรก็สบายใจผู้จาแนกกรรมทั้งหลายในโลกนะ คนที่ที่จำแนกดีจำแนกชั่วจำแนกบุญจำแนกบาปจำแนกแหกเหตุแห่งความเจริญและเสื่อมเมื่อแยกคัดสิ่งที่จะที่เสื่อมออกไปเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นความเจริญวินยูชนย่อมสรรเสริญเขาและเขาก็มีสุขเป็นกําไรสิ่งที่ทำเนี่ยกำไรคือความสุขอย่างเดียวทํากรรมอันไม่ตามเดือดร้อนในภายหลัง กรรมเหล่านั้นเป็นกรรมอันบัณฑิตทั้งหลายเห็นชอบแล้วคิดง่ายๆนะอะไรคิดว่าแน่ใจนะว่าทําได้สบายใจใน่วันหลังเพราะฉะนั้นเราก็คิดดูว่าสิ่งที่เราตัดสินใจใไปลงไปครั้งนี้เนี่ยนะสปี5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเราภูมิใจไหมชาติหน้าเราจะดีใจไหมหลายๆ10ชา ต, ติต่อๆไประลึกกลับมานี่ดีใจไหมไม่ใช่ทำแล้วมาเศร้าใจในวันหลังเนี่ยนะไม่ดีนะก็เอาให้มันมั่นใจหน่อยนะว่าที่เราทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะสิปีข้างหน้านั่นงภูมิใจอย่างเดียว ไม่ใช่สิบปีข้างหน้านั่งกลุมขมบอันนะปวดหัวเหลือเกินเอะพารามากินหน่อยองนี้ไม่ต้องข้าแต่พระบิดาผู้เป็นใหญ่ในนรชนเพชฌฆาตสะพายดาบนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเดินมาจะฆ่าลูกข้าแต่เทวะคือพระองค์ผู้สมมุติเทพข่าพระองค์นั่งบนตักของพระชนนีผู้เป็นแม่เพชฌฆาตเหล่านั้นก็ฉุดฆ่าฆ่าพระองค์อย่างรีบร้อนข้าแต่พระราชา ข่าพระ อ, องค์ได้รับความทุกข์เผ็ดร้อนแสนสาหัสแบบเจ็บปวดมาก น, นะภาษาเด็ ก, ก น, นะได้มีชีวิตอยู่ก็เพราะคําพูดที่น่ารักที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพราะพูดดีนะพพูดเป็นวรรจาศกิตมีอยู่นี่พูดเป็นนะจึงรอดตายมาได้ถ้าพูดไม่เป็นเนี่ยขอขาดไปนานแล้วเหมือนนวันนี้ข่าพระ อ, องค์พ้นจากการฆ่าได้ด้วยความยากมีใจมุ่งการบวชอย่างเดียวมาอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างที่ว่านมาอยู่แล้วแบบพระราชาก็โง่อย่างเงี้ยไปดีกว่างั้น น้าคิดอันหนึ่งบทว่าสัมมาปณิทีจะด้วยการตั้งตนตั้งใจเอาไว้ชอบอธิบายว่าประโยชน์ทั้งหลายของคนที่ทําด้วยจิตที่ตั้งไว้โดยชอบมันคนที่มีปัญญาเขาไคร่ควรวนเสียก่อนแล้วค่อยทํามันต้องเกิดจากการใคร่ควรวนพิจารณาให้มันรอบคอบแต่ว่าชั่งให้มันดีก่อนให้มันเหมือนแต่ชั่งก่อนแต่ถ้าไม่ใค ร, คร่ครวนเสียก่อนแล้วก็นั่งซึมแน่วันหลังแบบนั้นะปัญหาว่านั่งเต้นเร่าๆอยู่ในนรกนะที่ พระโพธิสัตว์เมื่อแสดงธรรมอย่างนี้พระราชาก็ตรัสกับพระเทวีว่าดูก่อนเทวีเธอช่วยยับยั้งโอรสไว้หน่อยซิยงนั้นนะขอร้องว่าตัวเองขอไม่เป็นผลให้แม่ช่วยขอให้หน่อยพระเทวีก็พอประทายการบวชของพระกุมารเหมือนกันแม่เห็นด้วยลูกบวชเลยอย่านั้นแม่นี่เห็นด้วยอี ก, ก น, นะพระโพธิสัตว์ก็ถวายบังคมพระชนกชนนีก็ขอขมาว่าหาโทษมีอยู่แก่ข้าพระองค์ขอได้ทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิด แล้วพระองค์ก็อัมลามหาชนบ่ายหน้าไปยังป่าหิมวันก็นเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จไปมหาชนก็พากันทุบตีชรินโกงนั้นจนสิ้นชีวิตให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคิดฆ่าคนมีคุณธรรมก็ตัวก็ตายเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ไม่ตายพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษมีอามา ร, ราชบริษัทพร้อมด้วยชาวพระนครที่มีหน้าเต็มไปด้วยน้ําตากลับเจ็ขวบเนี่ยนะมีบุญมากถึงขนาดว่าสั่งให้คนอื่นกลับได้นะปกติก็ พระราชาแบบอนะบกครองแบบอาณาธิปไตยแอเรียกว่าสมบูรณ์อาณาญาสิทธิราชขนาดนี้เนี่ยก็สั่งให้ล้อมสิแต่นี่ทำไม่ได้แสดงว่าเป็นเป็นผู้มีบุญจริงๆกันนะเขาเรียกว่าขนาดว่าพูดแล้วพ่อต้องฟังอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะยศเจ็ดขวบเนี่ยนะโตกระ บ, บัวนิดหน่อยแค่นั้นะ เมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันกลับแล้วทวยเทพก็มาในเพศของมนุษย์นำพระโพธิสัตว์ล่วงเลยภูเขาเจ็ดลูกไปพระโพธิสัตว์ก็บวชเป็นฤาษีทีอ่อยู่ในบรรณาศาลากุติใบไม้ที่วิสุนุกรรมเนรมิตให้ในหิน ม, มวันตัประเทศดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระบิดาขอขมาเราในที่นั้นแล้วหรือว่าเรานี้ขอขมาพระบิดาแล้วได้พระราชทาน ราจะสมบัติอันใหญ่หลวงแก่เราเรานั้นทําลายความมืดมัวเนี่ยนะทำลายโมหะที่ปกปิด น, นะคิดว่าตัมมังทาลยิตวากําจัดความมืดคือโมหะที่เป็นปฏิบัติต่ตอการเห็นโทษในกามท่านก็เห็นโทษในกามเนี่ยก็เพราะโทษในกามนี่โทษเพราะความเป็นใหญ่นะนี่นถ้าเราขนาดพ่อของเรานะเป็นใหญ่มีอํานาจขนาดนี้เนี่ยเพราะไม่เคยควรให้ดีสังฆ่าลูกเลยแล้วถ้าเราเป็นใหญ่บ้างอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าเกิดเราโกรธใจเกลี้ยวโกรธขึ้นมาเราก็ต้องทําบาปทํากรรมเพราะฉะนั้นถืออํานาจบาปใหญ่ถื อ, อไม่เห็นโทษของรูปเสียงเปลี่ยนรสเป็นต้นเพื่อรูปเสียงกลี่ยนรสก็เ่นฆ่าเป็นต้นก็เห็นโทษก็เลยบอกว่าคิดออกเพื่อน้อมจะบวชสรุปในที่สุดก็เลยสละราชอิสริยยศเนี่ยนะ ท, ทั้งทั้งที่จะครองราชสมบัติพระโพธิสัตว์บวชแล้วทวยเทพก็ด้วยเพศของปริปาจริยกาในราชตกูลบํารงพระโพธิสัตว์สิปี ก็เทวดาเลี้ยงดูอีกเท่าไรตอนนั้นเลี้ยงดูอีกสอามอีกหกปีนะอายุเจ็ดขวบเลี้ยงดูอีกเฮ้ยไม่ใช่เลี้ยงดูอีก เ, เก้าปีนะเทวดาดูแลอีกเก้าปีต่ออายุสิบกปีพระโพธิสัตว์ก็ทำอภิญยาสมาบัติให้เกิดดํารงอยู่ตลอดชีวิตจุติเกิดในพรหมโลกดาบทกงก็คือพระเทวทัพเนี่ยนะโอ้ยใครๆที่ไหนก็ญาติญาติเราเนี่แหละ พระชนนีก็คือพระมหามายามหารักคิตดาบทก็คือพระสารีบุตรโสมนัสกุมารก็คือพระโลกนาฏเนี่ยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็ได้บา ร, รมีทั้งสนะิบนะบารมีทั้ง10แต่ว่าในในเรื่องนี้ยก เ, เนคข ม, มะบา ร, รมีเนี่ยเป็นยอดคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาตินี้เช่นอะไรบ้างคุณานุภาพท่านมีคุณานุภาพที่เป็นคุณธรรมของท่านว่า ท่านความที่พระองค์เนี่ยสามารถในราชกิจทั้งหลายขณะที่มีพระชน 7,000 ษา 7,000 ษาบริหารบ้านเมืองได้แล้วนะความสามารถขนาดนั้นและขณะเดียวกันท่านก็มีความสามารถในการจับผิดดาบดว่าคนเนี่ยดาบดโกงไม่ใช่นักบวชแท้นี่นักบวชปลอมเนี่ยนะนักบวชเรียกว่าพวกเทียมนักบวชหมายคือว่าไม่ใช่นักบวชแต่ทําตัวให้คนเห็นว่าตนเป็นนักบวชรวบรวมทรัพย์เนี่ยนะ ท่านไม่มีความหวาดสะด็จเมื่อพระราชาขวนขวายมีพระบัญญัติบัญชาให้ฆ่าตอนที่ท่านไปไปถูกพระราชาจับฆ่าเนี่ยท่านไม่ได้ลุกลี้ลุกลนอะไรแบบนั้นนะท่านไปพูดพูดแบบคนมีเหตุผลให้ฟังเนี่ยนะการประกาศถึงความที่พระโพธิสัตว์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาแสดงโทษของจิินโกงโดยในยะต่างๆความที่พระองค์ไม่ผิดเนี่ยนะเล่าให้ฟังทั้งหมดและพระองค์ก็เริ่มต่อว่าความที่พระราชาเนี่ยมีปัญญาถูกคนอื่นนําไป หมายความว่าความคิดของตัวเองเสุดแท้แต่คนอื่นจะเสี้ยมสอนคนอื่นเขาเสี้ยมอะไรก็เชื่อเขาไปหมดเลยนะคนอื่นเขาแนะนําอะไรก็เชื่อไปหมดแต่ถ้าเชื่อคนดีไม่มีปัญหาดอกนี้ไปเชื่อคนโกงเขา้ขาขณะเดียวกันพระองค์นี่เป็นพระราชางูเหมือนบอกตรงๆนะพระองค์นี่งูแม้พระราชาก็ขอเข้ามาแล้วก็ยังถึงความสังเวชนะสลดและสังเวชใจเห็นโทษในกามทันทีเลยว่าอํานาจความยิ่งใหญ่นี่มันใกล้ต่อบาปใช่ไหมเอาไม่ถ้าเป็นแบบ ฐานาทิพย์ดีอเมริกาสั่งค่าได้เกือบทั่วโลกเนี่ยนะกลับมาเป็นโง่ๆเท่าเราเนี่ยนะนี่ดีกว่าใช่ไม้มอำนาจแบบนั้นจะไปดีอะไรเนี่ยนะก็เลยสังเวชสลดใจมากก็เลยสังเวชในการอยู่ในราชสำนั ก, ก น, นะก็อย่างที่สมัยที่ท่านเป็นอุอมมังคะ อ, อะไรนี่ยเมีใบใช่ไหมเตมีใบทั้งคนเลืกชาติได้พวกนี้เราเลืกชาติได้ทั้งหมดนะเราเลืกเนื่องจากเราเลืกชาติได้นั่นแหละจึงแยกแยกออก จริงอยู่ท่านอายุเจ็ปีโดยกําเนิดมนุษย์แต่ปัญญาของท่านเนี่ยมากกว่าพ่อเยอะเนี่ยนะมากกว่าเยอะเพราะเขาไม่ได้วัดกันที่ใครเกิดก่อนหรือเกิดหลังในภพนี้เพราะว่าสังสารวัตมันก็อยู่มานา น, านๆพอๆกันนั่นแหละเอาใครมาเกิดก่อนในสังสารวัตเนี้ยใครเกิดก่อนใครเกิดหลังเนาะพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนแก่เศร้า ว, ว่างั้นเพราะอะไมันก็สังสารวัตก็น้ําตาเท่าทะเลมาเหมือนๆกันนั่นแหละเนี่ยนะเดียรแต่ชาตินี้ใครคลอดก่อนคลอดหลังนั้นน่ะก็ชาติที่แล้วใครตายก่อนตายหลัง ทั้ใครตายหลังก็ก็คลอดหลังใครตายก่อนก็เกิดก่อนเนี่ยนะก็สรุปว่าใครตอนนั้นเนี่ยนะสมมตุตนะิถ้าคิดแบบอีกในหนึ่งก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยอ่าก่อนที่มาตายเนี่ยเราเนี่แก่มากแล้วใช่ไหมทุกโยมก็ยังเด็กอยู่ก็คิดคิดแบบเนี่ยนะถ้าคิดแบบแบบ แบบนี้มันก็จะเห็นว่าสังสารวัตรมันก็อยู่มานา น, านๆพอๆกันนี่แหละท่านพอได้อารมณ์ก็ดีได้อารมณ์ดีก็ดีใจพอๆกันได้อารมณ์ไม่ดีก็เสียใจพอๆกันจะไปต่างกันตรงไหนหัวรร้องไห้ดีใจเสียใจสุขทุกข์พอๆกันนั่นแหละวัตตะนั่นแนหะท่านก็เลยสลดสังเวชใจเนี่ยนะจากราชสำนักแล้วก็สังเวชใจในราชสมบัติ ท, ท, ทั้งๆที่พระราชาอ้อนวอนโดยประการต่างๆพระองค์ก็ทอดทิ้งราชสมบัติอันอยู่ในเงื้อมพระหัตเหมือนอะไร ถ่มน้ำลายทิ้งโดยไม่อะไรายอาวอนเนยนะเหมือนถ่มก้อนน้ำลายทิ้งเป็นผู้ไม่มีจิตติดอยู่ณที่ไหนไม่ติดในอะไรเลยก็ออกบวชบวชแล้วก็ยินดีในความสงัดยินดีในวิเวกไม่ช้านักก็ยังชาณภิญญาให้เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ที่ทำอย่างนี้การบวชทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อโภธิยานนั่นเองแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อ สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อสิ่งนั้นก็สำเร็จสมความปรารถนาแล้วส่วนของเราทั้งหลายผู้เป็นผู้ดำเนินตามก็ขอให้ได้สมความปรารถนากันทุกท่านวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้